ความเคารพหกในหัวข้อเหล่านั้นความเคารพหกเป็นไนคือ 1. ความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. ความเคารพในพระธรรม 3. ความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเคารพในศิกขา 5. ความเคารพในอัปปมาทธรรม 6. ความเคารพในปฏิสันฐาน นี่คือความเคารพหกประการ